หลวงตาพาทํำบุญประชาชนคนทํามาหาเหลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวจํานวนมากที่เชื่อในบุญกุศลที่หลวงตาพาทำและมีศรัทธาเต็มเปี่ยมจึงไม่มีใครตรณีไม่มีใครเสียดายต่างมาร่วมทํากองบุญใหญ่กับหลวงตามีมากมีน้อยก็ถวายร่วมบุญกับท่านตามกําลังไม่ให้เดือดร้อนกับตัวเองและครอบครัวหลวงตาสอนให้เรารู้จักทําบุญ มีการจัดสรรปันส่วนส่วนไหนไว้ใช้ส่วนไหนไว้เก็บส่วนไหนไว้ทำบุญท่านสอนให้รู้จักคิดรู้จักทำไม่ให้ใครต้องเดือดร้อนในการดำรงชีพจากการทำบุญเรื่องบุญเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลมีคนที่ไม่เชื่อและไม่ศรัทธาในเรื่องการทำบุญมีความสงสัยว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรบางก็คิดว่าตัวเองไม่มีเงินพอที่จะบริจาคทาบุญ ทำบุญไปแล้วจะเอาอะไรกินเพื่อนผมหลายคนก็คิดเช่นนั้นแต่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของหลวงตาแล้วผลที่สนองกลับมาทำให้เขามีงานมีเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดหายเลี้ยงตัวเองได้ตามอัตรภาษณโดยไม่ลำบากยิ่งทำออกไปยิ่งไหลกลับมาราวสายน้ำที่ไหลต่อเนื่อง ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดหรือสวนแสงธรรมเพื่อกราบหลวงตาผมได้พบผู้คนมากมายซึ่งต่างตั้งใจมากราบหลวงตาและฟังธรรมมีทั้งชายและหญิงต่างอายุต่างฐานะต่างนิสัยแต่ทั้งหมดมารวมกันอยู่ในศาลาและตั้งใจฟังคำสั่งสอนของท่านรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวผูกพันกันด้วยกาลังศรัทธาที่มีต่อองคหลวงตาอย่างมั่นคง ยกให้ท่านเป็นผู้นำทัพศรัทธาธรรมเป็นมหาบุรุษของกองทัพธรรมที่บริสุทธิ์นำเราไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สวนแสงธรรมทุกๆเช้าและเย็ยนที่หลวงตาท่านอยู่กรุงเทพจะมีคนถือขันใบใหญ่เดินปนอยู่ในกลุ่มคนปากพรำบอกบุญกับผู้คนในศาลามีอีทคนหน้าศาลาออสหรือผู้บอกบุญอื่นอีนอกสอ ง, งสาคน ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนและบางวันก็อาจจะเป็นผู้ชายผู้คนต่างร่วมทําบุญมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของแต่ละคนจึงเป็นการลดจำนวนคนที่จะเข้าไปถวายเงินและสิ่งของกับหลวงตาโดยตรงเป็นการผ่อนสังขารท่านไม่ให้ต้องนั่งอยู่อย่างยาวนานคนถือขันพวกเนี้ยมีจิตใจที่ดีปรารถนาให้ทุกคนได้ทาบุญกันอย่างทั่วถึงอีกทั้งจะได้ถนอมาธาตุขันขององค์หลวงตาไว้ ม่ให้ท่านต้องตรากตรำจนเกินไป